พูดไปเรื่องการปฏิบัติธรรมหรือการประพฤติธรรมนะว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าควรปฏิบัติให้ถูกน ะ, ะเรียกว่าปฏิบัติสมควรแก่ธรรมนะหรือว่าประพฤติโดยสมควรแก่ธรรมซึ่งก็ได้อธิบายไปแล้วนะว่าเนี่ยที่ปฏิบัติหรือประพฤติไม่สมควรแก่ธรรมเนี่ย มันได้แก่อะไรบ้างนะเช่นปฏิบัติธรรมอย่างไม่ถูกวัตถุประสงค์หรือว่าใช้ธรรมะไปในทางที่ผิดเพื่อสร้างภาพหรือว่าสนองกิเลสหรือเพื่อรลับสักการะหรือว่าใช้ผิดกรณี เช่นกำลังขับรถอยู่นะแทนที่จะใช้สติก็ไปสวดมนต์ซะสวดมนต์ออกเสียงหรือสวดมนต์ในใจก็แล้วแต่อันนี้ก็เรกว่าปฏิบัติผิดกรณีหรือผิดลลเวลารวมทั้งตั้งใจหรือทำความเพียรมากไปก็ทำให้ จิตใจฟุ้งซ่านหรือเครียดเป็นการทำความเพียรเกินพอดีไปอันนี้มันก็ทำให้เกิดผลเสียหรือว่าไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติในทิศทางเดียวกานนี่คือว่าการยึดมั่นถือมั่นนะในธรรมธรรมะนี่เป็นสิ่งที่ดีนะ แต่ว่าถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นกับธรรมเนี่ยมันก็กลายเป็นผลเสียขึ้นมาได้เช่นบางคนนี่ก็มีความยึดมั่นถือมั่นในคาสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องอนัตตาครูอาจารย์สอนมันไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้คือแก่นคำสอนของพระพุทธเจ้า แต่พอไปยึดมั่นถือมั่นกับธรรมะข้อนี้เนี่ยก็เลยไม่ยอมรับนะหรือไม่เชื่อนะเวลามีคำสอนที่พูดถึงเรื่องของการรักตนนะหรือว่ามีคำสอนว่าเนี่ยเรามีกรรมเป็นของตน มีบางท่านเนี่ย น, น, น, นบอกอันนี้ไม่ใช่พุทธพจน์หรอกนะเพราะว่ามันยังมีคำว่าของตนอยู่ก็มันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยนะไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราได้แล้วจะมีกรรมเป็นของตนได้อย่างไรก็ไม่ยอมรับว่าเนี่ย น, นี่เป็นพุทธพจน์หรือว่า ที่พระเจ้าตัดว่าเนี่ยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยมันจะเป็นไปได้อย่างไรมันไม่มีตนน่ะก็จะมีตนเป็นที่พึ่งได้อย่างไรในความยึดมั่นถือมั่นในอนัตตาเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกรกรากระอวนใจนะกับธรรมะที่ว่าวก็ทำให้ปฏิเสธไปเลยก็มี ทั้งทั้งที่อข้อความทานองนี้มันมีอยู่เยอะเลยนะบุคคลผู้รักตนหวังอยู่เฉพาะขื่นเบื้องสูงเมือ่อเราลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่จงทำค่าวคารพพัฒรมมีคำว่าตนเนี่ยหรือของตนนี่เยอะเลยอันนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยโรงสอนเนี่ยกับคนหลายประเภท ในระดับของคนทั่วๆไปปุถุชนโดยเพราะสอนเรื่องจริยธรรมเนี่ยสอนเรื่องความดีเนี่ยพอสอนเรื่องความดีกพระองค์ก็จะพูดถึงเรื่องของการรู้จักรักตนรู้จักรักษาตน ร, รักษาตนด้วยการไม่ทำชั่วไม่ผิดศีลแต่ว่าถ้าพูดในระดับสัจธรรมเนี่ยอันนี้แหละนะพระองค์ก็จะสอน หรือย้าเรื่องอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างที่เราทราบกันดีนะคําสอนของพระเจ้าเนี่ยก็มีทั้งสองระดับระดับจริยธรรมกับสัจธรรมนะสัจธรรมคือความดีที่ควรบําเพ็ญสัจธรรมคือความจริงที่ควรเข้าถึงแล้วสัจธรรมเนี่ยก็มีทั้งระดับสมมุติแล้วก็ปรมัตารน ะ, ระสมมติติสัจจะประมาจาสัจจ ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็มีคําสอนนะที่ พูดถึงเรื่องการรักตนหรือให้ตระหนักว่าเรามีกา ร, รเป็นของตนเราควรมีตนไปที่พึ่งแต่ถ้าเกิดว่าไปยึดมั่นถือมั่นกับอนัตตานี่ที่ทำให้ปฏิเสธคำสอนที่มีคุณมีประโยชน์ที่จริงเนี่ยพระองค์พระองค์องก็ทรงย้ำทรงเตือนนะว่าธรรมะของพระองค์เนี่ยนะไม่ควรยึดมั่นถือมั่นโดยสัา อย่างพระองค์ตัดเปรียบเทียบนะว่าเนี่ยมีชายผู้หนึ่งเดินทางไกลพอมาถึงแม่น้ำสายใหญ่เนี่ยฝั่งนี้เนี่ยมีอันตรายแต่ฝั่งโน้นนี่ปลอดภัยก็อยากจะข้ามไปฝั่งโน้นแต่ไม่มีเรือไม่มีสะพานทำยังไงอะ่ะก็ต้องเอา กิ่งไม้ใบไม้มามัดรวมกันเป็นแพรแล้วก็ถ่อข้ามไปก็ไม่ใช่ง่ายนะกว่าจะถ่อข้ามไปถึงฝั่งแต่พอไปถึงฝั่งแล้วนะชายผู้นี้ก็บอกว่าเนี่ยแพรเนี่ยมีอุปการะกับเรามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแบกมันขึ้นบ่านะขึ้นฝั่งไม่พอนะแบกแพรขึ้นฝั่งไปด้วยพู้เจ้าก็ถามภาษาบอกว่าทานี้ถูกไหม ควรไหมภาษาว่าก็บอกไม่ควรเมื่อทอแพรมาถึงฝั่งแล้วก็ควรจะทิ้งแพรไว้ตรงนั้นแหละแล้วก็เดินตัวเปล่าขึ้นฝั่งไปแล้วพระเจ้าก็เลยตอบว่าเนียันนั้ น, นก็ฉันน่ะฉั้นนั้นเนี่ยธรรมะที่พระองค์แสดงเนี่ยก็เป็นเหมือนกับแพที่มีไว้เพื่อพาคนออกจากทุกข์ไม่ใช่เพื่อแบกติดตัวไป เหมือนแพ่ก็ขนาดกุศลธรรมเนี่ยยังไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นณภาษาอะไรกับอากุศลธรรมเนี่ยยิ่งไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเข้าไปอย่านี่ขนาดธรรมะนะบูจากรสอนว่าเนี่ยไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นแต่คําว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าไม่เกี่ยวข้องนะควรจะเกี่ยวข้องแล้วก็เกี่ยวข้องให้ถูกนะก็คือใช้เพื่ อ, อพา ออกจากทุกข์หรือว่าใช้เพื่อฝึกหัดขัดเกลาวตนเองนะให้มีกิเลสเบาบางเพื่อให้เกิดทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านแต่ว่าก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คนเข้าใจยากนะธรรมะนี่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นได้อย่างไรไม่ยึดมั่นถือมั่นคือปล่อยวางปล่อยวางยังไง ปล่อยวางคือไม่เกี่ยวข้องเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะเกี่ยวข้องเนื้อเกี่ยวข้องอย่างเนื้อคือใช้ให้เป็นประโยชน์ให้ถูกกรณีอย่างเช่นนะ่ะแพรเนี่ยก็เอามาใช้เพื่อข้ามฝั่งพอถึงฝั่งแล้วก็วางแพรหรือทิ้งแพรไว้ตรงนั้นแหละก็เหมือนกับเราเดินจากกุฏิเนี่ยมาที่หอไต่เนี่ยในเวลาค่ำหรือเวลาเช้ามืดเนี่ย เราก็ต้องมีไฟฉายเราก็ต้องถือไฟฉายไว้เราก็ถือไฟฉายมาพอมาถึงสาราเราก็วางไฟฉายมือเราจะได้ว่างจับหนังสือสวดมนต์หรือว่าเพื่อที่เราจะได้กราบพระถ้ามือเรายังจับไฟฉายอยู่ยังไม่ยอมวางเนี่ยมันจะทำว่าสวดมนต์ก็ลำบากแล้ว หรือว่าเราใช้ไฟฉายเนี่ยพาเราไปถึงกุฏิถึงกุฏิแล้วเราก็ต้องวางไฟฉายไม่งั้นเราจะทำอย่างอื่นได้ยังไงเพราะมือเราเนี่ยยังมีไฟฉายมายังถือไฟฉายอยู่ก็ต้องวางอันนี้ก็เป็นความหมายของการปล่อยวางนะคือว่าปล่อยวางนี่คือการใช้แต่ว่าไม่ยึดติด ถ, ถือมันถึงเวลาก็วาง หรือมันจะเปลี่ยบเหมือนกับเราขึ้นบันไดนะบันไดก็บางช่วงก็ชันเราก็ต้องจับราวบันไดเราจับราวบันไดเพื่อที่เราจะขึ้นบันไดได้สะดวกแต่พอเราเหยียบขั้นบันไดแล้วเนี่ยเราก็ต้องปล่อยมือนะมือเราต้องปล่อยราว พอถ้ามือเราไม่ปล่อยเรายังจับราวไว้อยู่เนี่ยเราจะขึ้นบันไดขั้นต่อไปได้อย่างไรเราจะขึ้นบันดไดได้เราก็ต้องจับราวเพื่อที่เราจะได้ขึ้นได้แต่พอขึ้นได้แล้วเราก็ต้องปล่อยปล่อยมือปล่อยราวนะถ้าคนยังยึดหรือจับราวไว้เนี่ยมันก็ไม่สามารถจะไปต่อได้และการปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือการประพฤติธรรมก็เหมือนกันนะธรรมะเนี่ย มีไว้เพื่อให้เร า, าฝึกขัดขัดเกลากิเลสตัณหาเบาบางเพื่อที่จะพ้นทุกข์ในระหว่างที่ยังต้องขัดเกลาตนเองก็ต้องใช้ธรรมะนั่นแหละนะมามาช่วยมาอำนวยนะแต่ว่าพอขัดเกลาดืดีขึ้นแล้วก็ใช้ธรรมะอันอื่นต่อไป เพราะฉะนั้นคำว่าปล่อยวางเนี่ยหรือไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไม่เกี่ยวข้องหลายคนไปเข้าใจ ป, ปล่อยวางคือปล่อยปะละเลยปล่อยวางในทรัพย์ก็คือไม่เกี่ยวข้องกับมันเลยไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่สด้วยซ้ําอย่างบางลทัทธินิกายในอินเดียเนี่ยลทัทธิเชนเนี่ยโดยพอดิกายที่คำพอเนี่ยหรือนุ่งลมผมฟ้าเนี่ย เขาถือว่าเขาปล่อยวางแล้วปล่อยวางทั้ ง, ท, งทุกอย่างแม้กระทั่งเสื้อผ้าอาภรณ์จึงไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่เลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะเดินตัวเปล่าเหมือนชีพเปลือยนะเรียกว่านุ่งลมผมฟ้าเพื่อแสดงว่าเขาปล่อยวางแล้วอันนี้คือ ข้อใจปล่อยวางเนี่ยคือไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยปล่อยวางในทรัพย์สินก็คือไม่เกี่ยวข้องแต่อันนี้ไม่ใช่นะในพุทธศาสน า, าปล่อยวางนี่ไม่แปลว่าไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องแต่ว่าไม่ยึดติดถือมั่นอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันต์ท่านก็มีบริการ น, นะท่านก็ใช้บริการและว่าใจาท่านปล่อยวางแล้วแต่ว่าก็ยังมีบริการมีจีวร แต่ว่าท่านมีโดยไม่ยึดนะว่าเป็นของเราถ้าจะมีคนขโมยไปนะก็ไม่ทุกข์หรือว่าถ้ามันจะขาดบิ่นไปอ่ะก็ไม่เสียใจแต่ก็ไม่ใช่ปล่อยปปแล้วเลยนะขาดบิ่นก็ต้องปะต้องชุนก็เหมือร่างกายเนี่ยร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ของเราแล้วที่จริงมันก็ไม่ใช่ตัวเราด้วย ร่างกายไม่ใช่ของเราเพราะเราบางังคับบัญชาไม่ได้แต่เพราะฉะนั้นเราก็ควรปล่อยวางไม่ควรยึดมาเป็นเราเป็นของเราแต่กไ็ไม่ได้ไหมายความว่าปล่อยปละ ล, ละเลยต้องดูแลรักษาถ้าหิวก็กินข้าวถ้ากระหายก็ดื่มน้าหรือว่าถ้าเจ็บป่วยก็เยียวยารักษาและขณะเดียวกันก็บริหารกายไปด้วย ทำอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าร่างกายเป็นของเราก็รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ของเราแต่ว่าก็ต้องรู้จักใช้รู้จักดูแลเพื่อใช้ประโยชน์ในการทำความดีนะในการพัฒนาจิตพัฒนาใจเหมือนกับแพรเนี่ยขณะที่ยังไม่ถึงฝั่งเนี่ยก็ต้องเอามาใช้นะแล้วก็ทอให้มันถึงฝั่งจนได้ แต่ว่าการไม่ยึมันถือมั่นในกายเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะตรงที่ว่าถึงเวลาที่มันแก่มันชาราก็ไม่ทุกข์ไม่เสียใจถึงเวลาเจ็บเวลาป่วยนะก็ไม่ข้ามครวนเพราะรู้ว่านะมันไม่ใช่ของเราเราคุมไม่ได้และนี่ก็เป็นวิธีการนะหรือเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อกายป่วยแต่ใจไม่ป่วยนะอย่างที่พู้เจ้าเนี่ยสอน นกูนบิดาว่าเนี่ยซึ่งป่วยหนักนะว่าเนี่ยกายป่วยแต่อย่าให้ใจป่วยนะนกูลบิดดาก็ฟังแล้วก็รื้มนะรู้สึกแจ่มใสก็ชุ่มกระชวยขึ้นมาแต่ก็มีคําถามฝากมีคําถามไปถึงพระสารีบุตรว่าเนี่ยกายป่วยทํำยังไงกายป่วยแต่ใจไม่ป่วยนะพระสารีบุตรอธิบายนี่ก็ให้ไม่ถือว่ากายนี่เป็นของเรายา ให้ความรู้สึกร่มเราว่ากายนี้เป็นของเราเมื่อไม่ยึดมั่นว่ากายนี้เป็นของเรานะเมื่อกายป่วยหรือแปรผันไปนะใจก็ไม่ทุกข์ใจก็ไม่แปรผันด้วยแต่ว่าก็ต้องดูแลนะดูแลแล้วก็ใช้กายนี้อันนี้เนี่ยนอกจากคำว่า น, นอยจากการไม่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมเนี่ยไม่ว่าธรรมระดับ พื้นฐานจนถึงทำระดับลึกซึ้งเนี่ยมันก็รวมไปถึงการไม่ยึดมั่นถือมั่นในในวิธีในแบบแผนของการปฏิบัติด้วยนะบางคนเนี่ยน ะ, ะยึดมั่นถือมั่นนะมากนะในแบบแผนของสำนักของครูบาอาจารย์ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามวิธีการนี้นะก็ถือว่าใช้ไม่ได้ถือว่าไม่เข้าใจธรรมะ เดี๋ยวนี้มีมากเลยนะในหมู่ชาวพุทธเนี่ยซึ่งแม้จะสนใจเรื่องการภาวนาเรื่องกรรมฐานแต่หลายคนก็มาขัดแยง้งทละลาะเบาแวงกันเพราะไปยึดมั่นถือมั่นว่าของฉันของสำนักของฉันนี่มันถูกของเธอเนี่ยของแกเนี่ยมันผิดนะก็เถียงกันเนี่ยโดยที่แทนที่อามาใช้ เอาธรรมะนี้มาใช้กับตัวเองเนะก็เอามาใช้ในการโจมตีพิพากษาคนอื่นจิตใจก็เศร้าหมองจิตใจก็ขุ่นมัวไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยรวมไปถึงไม่ยึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องด้วยนะความถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้ายึดมั่นถือมั่นเมื่อไหร่นี่มันเกิดความเสียหายขึ้นมาเลยหลวงพ่อเฟื่องโชติโกท่านพูดไว้ดีนะ่านบอกว่าเนี่ยความอย่าของเราแม้จะถูกแต่ถ้ายึดเข้าไว้มันก็ผิดสิ่งที่ถูกเนี่ยนะ พอยึดไปเมื่อไหร่เนี่ยมันผิดเลยนะเพราะว่ามันยึดไม่ได้และอย่างนึงพอยึดแล้วเนี่ยมันก็มีกิเลสมันก็มีตัวกูของกูเข้ามาแทรกเช่นถ้ายึดมาในความดียึดมาในความถูกต้องก็แปลว่าต้องถูกต้องแบบของกูนะหรือต้องดีแบบของฉันถ้าไม่ดีแบบของฉันนะอันนี้ก็ถือว่าไม่ถูกอันนี้ถือว่าผิดยึดมันถือมันในความดีเนี่ยมันก็ทาให เห็นคนอื่นเนี่ยเป็นคนผิดเป็นฝ่ายผิดก็ได้ถ้าว่าเขาไม่เห็นด้วยหรือปฏิบัติไม่ตรงกับความดีของเราหรือความดีความดีในแบบของเราบางทีเขาไม่ทำหรือเขาทำสิ่งที่เรามองว่าไม่ถูกต้องเนี่ยถ้ายึดมั่นถือมากๆ ก, ก็เกิดความโกรธนะเดี๋ยวทาไปทำร้ายเขาอย่างมีวัดหนึ่งเนี่ยนะ ถ้ามีบวชชีพราหม์เนี่ยเด็กสาวก็มาบวชชีพราหมณ์หรือพรหมจริ น, เนีเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้ธรรมเนียมนะบวชแล้วเนี่ยเวลากินน้ำก็ยืนกินน้ำแม่ชีเห็นนก็ไม่พอใจเพราะว่าการยืนกินน้ำเนี่ยมันไม่ถูกต้องถูกต้องก็คือว่าต้องนั่งกินน้ำดื่มน้ำเนื่องจากยึดมาในความถูกต้องมากพอเห็น หญิงสาวหรือพระมรดจรีนี่เนี่ยยืนดื่มน้ําก็เลยโกรธนะโกรธแล้วทําไงทุบหลังเลยทุบหลังก็กลายเป็นว่าสิ่งที่ตัวเองทําเนี่ยมันไม่ถูกต้องยิ่งกว่าหญิงสาวนะยืนกินน้ํานี่มันยังมันไม่เท่าไหร่นะแต่ไปทุบหลังก็ที่มันแยกมันดากกว่าการยืนกินน้ําสึิแต่ทำเพราะอะไรนะทำเพราะว่า เห็นว่าเนี่ยหญิงสาว ห, หรือพระมารดารนนี่เนี่ยทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่พอไปยึดมั่นในความไม่ถูกพอยึดมั่นในความถูกต้องเนี่ยก็เกิดความโกรธโกรธจนลืมตัวนะก็เลยไปทุบหลังเขาหรือว่ามีวัดนึงเนี่ยนะเามีระเบียบนะเวลามาฟังธรรมเนี่ยในศาลาเนี่ยต้องปิดโทรศัพท์มือถือแต่มีโยมคนนึงเนี่ยลืมปิดโทรศัพท์ นะขณะที่พระกําลังเทศนะเสียงโทรศัพท์ก็ดังนะในการที่ไม่ปิดโทรศัพท์เนี่ยมันถือว่าไม่ถูกต้องนะผิดระเบียบของสํานักนี้แต่ว่าด้วยความที่เจ้าว่าเนี่ยึยดมันในความถูกต้องมากนะพอเห็นความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาก็โกรธเลยนะกนดาเลยตะกนด่าเจ้าของโทรศัพท์อันเนี่ย ถ้าทำไปด้วยเมื่อถ้าทำไปด้วยความโกรธเนี่ยก็คือหลงตัวลืมตนและที่ลืมตนเพราะอะไรนะก็เพราะว่าไปยึดมั่นในความถูกต้องเป็นอย่างเยอะนะยึดมั่นในความถูกต้องเนี่ยพอเจอความไม่ถูกต้องเนี่ยเกิดความโกรธเกิดความลืมตัวขึ้นมาเลยก็เลยทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องยิ่งกว่าอีกฝ่ายหนึ่งให้ความถูกต้องยังเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันอาจจะเกิดโทษได้ คนไม่ค่อยนึกนะ้อยการยึดมั่นในความถูกต้องเนี่ยมันมันมันไม่ดีอย่างไงมันเกิดโทษอย่างไรเพรางทีมันเกิดโทษที่รุนแรงนะอย่างชายคนหนึ่งเนี่ยขับรถด้วยความเร็วเนี่ยบอกว่าจู่ๆเนี่ยรถที่เล่นสวนมาเนี่ยอยู่อีกเลนหนึ่งเนี่ยนะเขาเกิดล้ําเข้ามาในเลนของตัวอาจจะเปเพราะกําลังแซงรถทัวร์อยู่ พอแซงรถทัวร์เนี่ยรถคันนั้นก็เลยลัําเข้ามาในเลนของชายคนนั้นแล้วตัต้งสองคันเนี่ยก็แล่นด้วยความเร็วสูงชายคนนั้นเนี่ยเห็นรถเนี่ยข้างหน้านี่ยกำลังพุ่งขึ้นมาในเลนของตัวจริงๆเนี่ยโดยสํานสำนึกเนี่ยก็ควรจะหลีกควรจะหลบนะแต่เขาไม่หลบนะเพราะเขาคิดว่าเขาถูกเนี่อีกฝ่ายมันผิด อีกไฟล์นึงเนี่ยขับผิดเลนเข้ามาไม่ใช่เลนของตัวเนี่ยขับเข้ามาได้ยังไงมันควรจะหลบนะไม่ใช่ให้ฉันหลบฉันไม่หลบเพราะฉันถูกนะฉันถูกเันเลนของฉันถ้าคิดแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะมันก็เกิดการประสานงานเท่านั้นแห ล, ละแลวสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่ตัวเองที่เดือดร้อนนะคนที่ขับรถคนที่ตัวเองพามาด้วยเนี่ยอาจจะเป็นพ่อแม่หรือลูกเนี่ยซึ่งอยู่หลังรถ อยู่บอะหลังก็อาจจะพอยเมียนเป็นไปด้วยเพียงเพราะว่ายึดมันในความถูกต้องว่านี่นี่มันเลนของฉันฉันขับถูกเลนเพราะฉะนั้นฉันไม่หลบมันต่างหากที่มันควรจะหลบเพราะมันผิดในเวลาแบบนี้มันไม่ควรนะนะยึดมันในความถูกต้องเนี่ยเพราะถ้าคืนทำอย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นความไม่ถูกต้องขึ้นมาเพราะว่าทาให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วย เขาไม่รู้อหนโหนอินเนอะไรเลยนะพ่อแม่ที่อยู่เบาหลังหรือลูกที่อยู่เบาหลังไม่รู้อินวยอนเนเลยบนอะกว่าต้องเมียนเป็นไปเนะี่ยเพราะว่าคนขับเนี่ยนะเขายึดมั่นในความถูกต้องจึงไม่หลบ ก, การยึดมั่นเนี่ยในความดีก็ตามความถูกต้องก็ตามเนี่ยหรือธรรมะเนี่ยถ้ายึดมัน่นเมื่อไหร่นี่มันก็สามารถจะเกิดผลเสียได้นะ เรื่ที่หลวงพ่อเฟื่องพูดเนี่ยถูกทีเดียวเลยนะความเห็นของเราแม้จะถูกแต่ยึดเข้าไว้มันก็ผิดเพราะว่ามันเปิดโอกาสให้ตัวกูของกูนี่เข้าแทรกความดีพอยึดเข้าไปมันก็เป็นความดีของกู <Sorry. S 1> ความถูกต้องพอยึดเข้าไปมันก็เป็นความถูกต้องของกูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่ไม่ดีเหมือนกูไม่ถูกต้องเหมือนกูเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนละพวกกับกูต้องจัดการต้องสั่งสอน หรือไม่ก็ทำให้ทำในสิ่งที่มันเสี่ยงอันตรายงัน้นถ้าเราจะประพฤติทำปฏิบัติถูกต้องเนี่ยนะจะต้องใส่ใจตรงนี้ด้วยก็คือว่าไม่ประพฤติด้วยความยึดมั่นถือมั่นจะทำนี้ได้ต้องมีสติและปัญญานะต้องมีสติและปัญญาเช่นแม่ชีเนี่ยเห็นหญิงสาวเนี่ยยืนกินน้ำ โกรธแต่ว่ามีสติรู้ทันความโกรธเราก็รู้เห็นว่าเออมันเรื่องแค่นี้เองพูดแนะนำเบาๆก็ได้ไม่ต้องทุบหลังหรนะือว่าเจ้าวาเนี่ยกาลังแสดงธรรมแล้วเห็นโยมนี่กำลังไม่ปิดโทรศัพท์โทรศัพท์มันดังขึ้นมาแทรกการแสดงธรรมโมโหก็มีสติเห็นว่าเออในเรา ระยึดมั่นถือม่นระเบียบมากไปแทนที่จะโกรธแทนที่จะด่า ว, ว่าก็อาจจะพูดแนะนำเขาดีๆแล้วก็อาจจะปล่อยไปก่อนอเราก็แสดงธรรมไปมีสติระหว่างที่แสดงธรรมถือว่าในเสียงโทรศัพท์นี่มันมาฝึกสติของเราเราสอนสติให้เขาแล้วเราก็ฝึกสติของตัวเราด้วยนะแต่ว่าพอ แสดงธรรมเสร็จก็จะพูดแนะนำเตือนว่าเนี่ยระเบียบของวัดเป็นอย่างไร อ, อย่างนี้เรก็เรียกว่าทาโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องต้องมีสติมันจึงจึงจะเห็นรู้ทัน ว, ว่ากำลังยึดมั่นถือมั่นนะในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมและต้องรู้จักคร่ครวนด้วยคือมีปัญญาถนะึงจะเห็นนะว่า ให้นนี่เรากาลังยึดมั่นถือมั่นไปมากไปแล้วแทนที่จะใช้ทำให้เป็นประโยชน์ลกลับไปแบกมันเอาไว้แล้วกลายเป็นโทษมีการแบ่งเขาแบ่งเราทำให้เห็นคนที่เขาคิดต่างจากเราปฏิบัติต่างจากเราเป็นเป็นศัตรูหรือเป็นคนไม่เาเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องอันนี้มันก็ต้องมีสติมีปัญญาไตรตรองด้วยอเย็นในพุทนี้นะเอากับ